จเจริญพรทุกท่านพระพุทธศาสนานะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าหลวงพ่อจะมาเทศีกี่ครั้งปัญหาใหญ่ของเราตอนนี้นะคือว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ในบ้านเมือง น, นี้ไนดะ้อีกนานสักเท่าไหร่สิ่งที่ทำลายพระพุทธศาสนานะปัญหาคนนอกเนะี่ยไม่ใช่ปัญหาหลัก ปัญหาหลักที่จะทําให้ศาสนาพุทธนี้รูนไปอยู่ที่พุทธบริษัทอย่างพวกเรานี่เองไม่ต้องโทษคนอื่นเลยถ้าพุทธบริษัททั้งหลายไม่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าศาสนาก็หมดไปทุกวันนี้หาคนที่จะสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมมีส่วนน้อยเต็มทีแล้วส่วนใหญ่เขาก็หลงไปกับโลกเลื่อนเพลินต่อสู้แย่งชิง วัตถุหลงวัตถุกันใครสนใจพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมอะไรใครเป็นคนโบราณเฉยๆล้าหลังงั้นถ้าหลงตั้งเป้าว่าใครศึกษาธรรมะเพราะโบราณคล้ำครือล้าสมัยไม่มีขยากเรียนที่จริงแล้วคนเราที่ไม่รักษาพระพุทธศาสนานะ เราก็ไม่รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาพวกเราอาศัยศรัทธาปู่ย่าตายายเรามีศรัทธามากอ่อนเราศรัทธาตามเรามีศรัทธาเราก็ได้สนใจดิ้นรนใ่รู้เที่ยวเรียนเที่ยวศึกษาเมื่อ เ, เราศึกษาแล้วนะลงมือปฏิบัติแล้วเนะี่ยถึงจุดหนึ่งเรารู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาทุกวันนี้เรา กังวลว่ศาสนาอื่นจะมาแย่งชาวพุทธไปคนที่ถูกแย่งนะคือคนไม่มีศาสนาถ้าคนเป็นพุทธจริงๆนะไม่มีใครมาแย่งได้เพราะเรารู้ว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าจริงๆมีคุณค่ากว่าเงินที่เข้ามาให้ดังน้คนที่ถูกแย่งไปนะ่นคือคนไม่มีศาสนานี่บางทีเราก็กังวลต่อไปนะว่ามุสลิมจะมาแย่งเมื่อก่อนหน้านี้นะสามสิบปีก่อนก็ ห่วงเรื่องคริสจะมาแย่งนะเนี่ยเราคิดแต่เรื่องนี้แต่เราไม่เคยสนใจว่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนอะไรเรามดแต่รักศาสนาโดยที่ไม่รู้จักศาสนายิ่งถ้าถึงขนาดนะบอกว่าถ้าพระถูกยิงงงหนึ่งไม่ไปเผามัสยิดแห่งหนึ่งนี่เรียกว่าไม่รู้จักอะไรเลยถ้าเราไม่มีศีลห้ากระทั่งศีลห้าก็ไม่มี เราทำลายสมบัติคนอื่นเขาผิศีลห้าคนไม่มีศีลห้าจะรักษาศาสนาพุทธได้ยังไงดงนั้นพวกเราต้องมีศีลมีธรรมนะอย่างน้อยเราก็เป็นชาวพุทธสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นชาวพุทธแท้ๆที่จริงแล้วอย่างอิสลามนะอยู่ในเมืองไทยมาตั้งแต่กี่ร้อยปีเราก็ไม่รู้สมัยยุทธยาก็มี ต่อสู้กู้บ้านกู่เมืองมากับคนพุทธนี่แหละก็อยู่กันมาอย่างสงบสันติเมื่อสามสิบปีก่อนเนาะมีคนนอกเขามามาเสียมสอนมายุยงมาให้ทุนมาอะไรต่ออะไรมีพวกที่ใช้ปวามรุนแรงนิดเดียวคนส่วนใหญ่ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ถ้าเราไปทำลายมัสยิดทาลายอะไรเนี่ยมันคือผลักคนซึ่งเคยเป็นคนของเรานะ อยู่ด้วยกันมาสงบสันตินั้นผลักไปให้ศัตรูให้คนอื่นยิ่งทำลายระหว่างเราจะไปทำลายมุสลิมกับมุสลิมทำลายพนึง่ง่ายกว่ากันเยอะเลยพรเนี่แต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นนะเห็นนี้รู้แล้วว่ายิงไม่ผิดหรอกสว่างจ้ามาแต่ไกลนลยเพราะฉั้นสิ่งสาคัญนะศึกษาปฏิบัติทำให้ได้เอาธรรมะเข้ามาสู่ใจให้ได้เป็นชาวพุทธให้ได้ ชาวพุทธแท้ๆถึงจะมีไม่มากนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของคนอ่อนแอไม่ใช่ศาสนาของคนร้องขอให้เทวดามาช่วยให้พระเจ้ามาช่วยเป็นศาสนาของคนซึ่งเข้มแขนะ็งพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองหลวพ่อกล้า บ, บอกเลยว่าถ้าพวกเราได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องนะ ในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงละเราเคยมืดบอดนะเราก็สว่างสวยขึ้นมาจากข้างในเนี่ยเคยทูกนานก็ถูกสั้นเคยทูกหนักหนักก็ถูกน้อยน้อยฝึกไปเรื่อยเรเราจะเห็นเลยว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าจริงๆสามารถทําคนทึ่งมืดบอดอย่างเราคนที่จมอยู่ในความทุกข์อย่างเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะรักพระพุทธเจ้า พระธรรมรักพ ร, ร, ระสงฆ์ฝึกไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งนะจิตเราเข้าใจธรรมะจิตเราเป็นพระสงฆ์ร่างกายเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่จิตเราเป็นพระสงฆ์ตัวจริงแล้วเป็นสุปฏิปันโนสาวกสังโฆแต่ไม่ใช่พิกุสังโฆอย่างถ้ามาบวชอย่างหลวงพ่อเนี้เป็นพิกุสังโฆแต่ในพระรัตนตรัยนะสุปฏิปันโนสาวกสังโฆสาวก สุปฏิปันโนสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แก่ใครบ้างท่านบอกว่าได้แก่คู่บุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษสี่คู่โสดาปฏิมรักโสดาปฏิผลบุคคลสักขาคามรักสัคาคาผลบุคคลอานาคามิมรักอานาคามิผลบุคคลอรหัตมรักอรหัตผลบุคคลเนี่ยสี่คู่8ดลำดับ ท้าเมืไรใจเราได้กระทั่งโสดาบันนะเราก็เป็นสาวกตัวจริงแล้เนี่ยเป็นหนึ่งในพระราตนาไตรเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนาไตรนะเงั้นจุดสําคัญนะต้องรีบศึกษารีบปฏิบัติเข้าชาวพุทธเราไม่ใช่อยู่เลื่อนเลื่อนลอยๆยไปเรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรหน้าที่ของเราชาวพุทธเนะี่ยก็คือการถอดถอนตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้ เ, เป้าหมายสูงสุดหรือวัตถุประสงค์สูงสุดของพระพุทธศาสนาคือการที่จะต้องมีชีวิตอยู่แบบไม่ทุกข์นั้นศัตรูร้ายเลยที่ทําให้เรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรต้องมาเรียนฉันบอกว่าตัณหาเป็นเหตุเป็นตัวเหตุมีทุกข์เป็นตัวผลตัณหาเป็นความอยากสังเกตดูใจเราอยากตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูรูป เดี๋ยวก็อยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งสัมผัสทางกายที่ดีอยากให้สิ่งสัมผัสทางกายที่ไม่ดีหายไปอย่างเงี้ยอยากได้เรื่องราวที่เพลิดเพลินสนุกสนานมีความสุขทางใจอยากให้เรื่องราวที่ไม่ดีทางใจหายไปเนี่ยมันเป็นความอยากความอยากในรูปอยากให้มีหรืออยากให้ไม่มีในรูป ความอยากในเสียงอยากให้มีหรืออยากไม่มีในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในสัมผัสอยากในเรื่องราวทางใจบางอย่างก็อยากให้มีบางอยากก็อยากให้ไม่มีของไม่มีอยากให้มีก็เรียกว่ากรรมตัณหาถ้ามีแล้วชอบใจอยากให้อยู่นานๆก็อยากอีกแหละอยากให้อยู่นานๆเรียกว่าภาวะตัณหาของที่มันมีขึ้นมาแล้วมันไม่ถูกใจอยากให้มันหายไป เรียกว่าวิภาวะตัณหาเนี่ยลีลาของตัณหานะตัณหาเนี่ยเป็นความอยากอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสนะอยากในสิ่งที่มาสัมผัสทางร่างกายอยากในเรื่องราวทางใจอาการของความอยากก็อยากอยากได้มานะอยากให้คงอยู่อยากให้หายไปนะแต่และอย่างแต่และอย่างสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวที่ทำให้จิตของเราเกิดความดินน้นรน ทุกครั้งนะทุกคราวทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นจิตจะเกิดความดิ้นรนความดิ้นรนของจิตเรียกว่าภพนะการกระทำกรรมของจิตนั่นเองเรียกว่าภพพวกเราเคยได้ยินใช่ไหมคำ ว, ว่าภพตันหาเป็นผู้สร้างภพตันหาก็คือตัวความอยากนะนะนั่นเองเลื่องทำให้ใจของเราดิน้นลักษณะการดิ้นรนของใจนะ เมื่อทีก็ดิ้นก็จะดึงเข้ามาบางทีก็ดิ้นไปผลักอารมณ์ออกไปบางีก็ดิ้นนะดิ้นเร่าๆจับอารมณ์ได้ไม่มั่นเนื่ใจมันดิ้นรนพิลึกพิลั่นไปต่าง ๆ, ๆนานานบางทีก็ดิ้นไปหาความเพลิดเพลินะทางตาหูจมูกลิ้นกเมื่อทีก็ดิ้นไปหาความสงบสุขทางใจนะเงินพบก็เลยมีหลายแบบ พบที่ดิ้นรนอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่าการมาพบพบที่มีความสุขความสงบอยู่ในใจของเราเนีก็เป็นรูปปพบเป็นอรูปปพบเป็นความปรุงแต่งในความดิ้นรนของจิตทั้งสิ้นเลยนั้นถ้าเม่ไรมีตัณหาเมื่อนั้นจิตใจดิ้นรนดิ้นรนแบบอย่างโน้นดิ้นรนแบบอย่างนี้ดิ้นรนละโมบลมมากอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสดิ้นรนแบบอยากผลักรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกไป หรืดิ้นรนอยากจะมีความสงบมีความสุขอยู่ภายในงั้นอย่างที่พวกเราหลายคนปฏิบัตินะนั่งสมาธิกันจิตใจสงบสุขสบายกรดเืิ น, นพอใจอ น, นั้นก็ตัญหาสร้างเหมือนกันอยากสุขอยากสบายอยากได้มรรคผลนิพพานอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ก็งลงมือปฏิบัติทำทําไปด้วยความอยากก็บังคับกายบังคับใจควบคุมฝึกกายฝึกใจเลยได้ความสุขความสงบเข้ามา มันก็เป็นภพ อ, อีกภพหนึ่งไม่ใช่ทางที่จะหลุดออกจากภพได้เพราะฉะนั้นตามใดที่เราทําลายตันหาไม่ได้นะความอยากมันมีขึ้นมาใจมันจะดิ้นรนทุกคราวที่ใจดิ้นรนนันก็เพิ่มวันไว้เดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวหมุนไปหมุนมาอยู่ข้างในนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีะจิตมันจะไปหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาก่อนแล้วมันก็ไปหยิบฉวยเอาขันมาทีหลังจะครุบขึ้นมาปุ๊บๆุ๊บขึ้นมา จิบสวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาหยิบสวยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรสะแสวงหาไปหมดนะจะยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ยึดตะครุบมาหมดนะเพราะนยึดจิตดวงเดียวก็ยึดขันได้ทั้งหมดมีจิตดวงเดียวนะจิตดวงเดียวก็ไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้ทั้งหมดนั่นสุดท้ายปลายทางนะของการปฏิบัติคนะือการปล่อยวางจิตให้ได้ แต่ไม่ใช่จิตปล่อยเอาเองนะต้องทำลายเอาวิชาถึงจะปล่อยได้นี่เรารูแ้แล้วว่าปัญหาเป็นผู้สร้างภบมีพบขึ้นมาจิตดิ้นรนนะจิตก็ไปหยิบเวยเอารูปเอานามขึ้นมาตัวรูปตัวนามนะั้นมันเป็นตัวทุกข์ตั้งแต่แรกแล้วถ้าจิตที่ไม่ฉลาดไปหยิบเวยเอารูปเอานามขึ้นมานะจิตทุเลาทุกข์ไปด้วยความทุกข์ก็เข้ามาถึงจิตแล้ว ถ้าจิตไม่ไปหยิบเฉวยรูปนามนนรูปนามกายใจนี้ก็เป็นทุกข์โดยตัวของมันไปแต่จิตไม่ไปหยิบมาจิตก็ไม่ทุกข์ไปด้วยจิตไปหยิบมาเพราะจิตมันมีความอยากมันมีความยึดมันเข้าไปปรุงแต่งเข้าไปดินน้นรนตะครุบมานะเป็นลําดับลําดับตรงที่มันไปตะครุบเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตะครุบเอารูปเบชนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณนะมาเรียกว่าชาติชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจ ได้ติด ป, ปะครุปออมาเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ติดมาแนละ้เพราะตัวมันเป็นตัวทุกข์นการที่เราจะทำลายตัณหาไม่ใช่เรื่องง่ายพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเพราะนั้นตัวที่เราต้องทำลายให้ได้ในตัวสมุทยัยรือตัวตัณหาวิธีที่จะทำลายตัณหาอยู่ๆไปสั่งทำลายมันไม่ทำลายคนนอกศาสนาพุทธบางทีเขาก็าพยายามสู้กับตัณหา เขาก็ฉลาดเหมือนกันนะนีย่ยศา ส, สนาอื่นมีนะพราพวกนี้คลนเนี้ยเขาไปเห็นนะ่า ม, มีตัณหานี่ยนละทำให้มีความทุกข์แต่เขาไม่รู้ไม่รู้จักมรรคไม่รู้วิธีที่จะพ้นไปเขาใช้วิธีต่อต้านอยากกินก็ไม่กินอดข้าวอดปลาอยากนอนก็ไม่นอนยืนขาเดียวทำอะไรที่ทรมานตัวเองกะว่าไม่ตามใจตัณหา ลึกๆ ล, ลงไปมันก็คือการทําที่ตันหาสังนั่นเองก็ทําไปนะเพราะอยากจะหลุดพ้นนั่นเองก็คือหนีไม่พ้นตันหานะทําเป็นว่าสู้กับตันหานะที่จริงสิ่งที่ผลักดันให้สู้ตันหาก็คือตันหาอีกนั่นแหละเนี่ยสติปัญญาเข้าไปไม่ถึงอย่างที่พระ เ, เจ้าของเราไปถึงนะพระเจ้าท่านรู้วิธีที่จะทำลายตันหาออกจากใจนะอย่างพวกเราเนี่ยขาดปฏิบัติ เวลาตัณหามีความอยากเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันตัณหามันจะดับอัตโนมัตินะเพราะอะไรตัณหาเป็นโลภะเป็นโลภะที่มีกําลังกล้าโลภะก็กิเลสนั่นแหละเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนี่โลวงพอสอนอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเวลาใจมันอยากอยากไปดูหนังเรารู้ทันว่าใจมันไปอยากความอยากมันดับนะอยากกินเห็นของนี้อยากกิน ใจมันรู้ทันว่าอยากความอยากมันดับแต่ว่าจะกินหรือไม่กินเนี่ยอยู่ที่เหตุผลลนะ้วถ้าหิวก็กินถ้าง่วงก็นอนนะแต่ถ้าขี้เกียจไม่นอนะเนี่ยมันะจะเป็นจะมีชีวิตที่มีเหตุมีผลขึ้นมามีสติคุ้มครองรักษาจิตใจนะแล้วมันก็จะมีปัญญาในขั้นต้นขึ้นมารู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะฉะนั้นตัณหาในเบื้องต้นเนี่ยเราอาศัยสติค่อยรู้ทันมันทําความรู้จักกับตัณหาให้ดีเลย ใจของเรามีความอยากให้รู้ทันแคอยากอะไรก็ตามให้รู้ทันนะอย่างนี้พอไหวไหมยากไปไหมรู้จักอยากไหมรู้จักอยากไหมเมื่อเช้านี้อยากมาฟังเทศไหมบางคนอยากมาวัดสวนดอกพมันมีข้าวฟรีกินมีหนังสือแจกไม่ได้อยากฟังเทศอยากมาเดินเล่นเช้าๆแดดนะอุ่นๆลมเย็นๆมีขนมน ม, นมเนยมีของแจกนะอันนี้ก็อยากเหมือนกัน แต่อยากได้ในในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยากในกามนี่พวกเรามาส่วนมาวัดสวนดอกใจมันอยากอยากมาฟังธรรมบางคนไม่ได้อยากฟังธรรมไม่ได้อยากมากินขนมนะอยากเห็นหน้าหลวงพ่อนี่ก็พิลกึกไปอีกแบบหนึ่งไปดูอะไรซึ่งมันไม่มีสาระหน้าตาหลวงพ่อมันก็ไม่เจี่ยงหรอกมันก็แก่ลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรน่าดู เนี่ยใจที่อยากนะไม่ใช่เรื่องลึกลับที่พวกเราจะรู้ได้หัดรู้ไปเรื่อยๆอยใจอยากขึ้นมาทีหนึ่งรู้ทันใจอยากขึ้นมาทีอีกรู้ทันต่อไปพอความอยากเกิดมันรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตมันจะไม่ปรุงต่อนะจิตจะไม่ปรุงต่อแต่ว่าความอยากที่เรามีนะส่วนใหญ่มันเป็นอยากในกามนะอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรเงี้ยพอเรารู้ทันย่างเห็นมือถือแล้อยากได้พอเรารู้ทั น, น, นะรรทนปุ๊บมันไม่อยากได้นะเฉยๆ ใจก็มีความสุขมีความสงบนะมันพอใจในความสุขความสงบอีกนะมันมันอยากได้ความสุขความสงบเพิ่มอีกนะเป็นความอยากที่ประนีตขึ้นไปเป็นตัญหาในรูปนะในการเพ่งรูปเพ่งนามมีความสงบสบุขเรื่องความอยากมันหลายชั้นหลายเชิงนะความอยากต้นๆที่พวกเราเห็นได้อยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในสัมผัสรู้บ่อยๆถ้าทุกคราวที่รู้ใจก็จะ ไม่ตกเป็นธาตุของความอยากไม่ถูกมันผลักดันนะไม่ดิน้นปะใจมันไม่ดินน้นรนใจไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพื่มลงใจมัสงบใจมีสันติสุขอยู่ข้างในสบายแต่ว่าชั่วคราวเดี๋ยวก็อยากใหม่เพราะต้นต่อของความอยากยังอยู่อะไรเป็นต้นต่อของความอยากอาวิชชาความไม่รู้อริยสัจเป็นต้นต่อของความอยากหลวงพ่อเคยภาวนานะตั้งแต่เป็นโยมแล้วละ่ะ ภาวนาไปวันหนึ่งจิตปล่อยวางจิตวางลงไปปุ๊บเสร็จแล้วจิตมันก็นึกขึ้นมาว่าเพื่อจะฆ่าละหันเหรอพราละหันทําไมมีความรู้แค่นี้เองไม่พอไม่อิบไม่เต็มนะตะครุบจิตขึ้นมาใหม่ต้องเอามาเรียนรู้จิตใจมันจะทํางานยังไงต้องมาเรียนรู้อีกมันไม่ยอมปล่อยมีวันหนึ่งได้ข่าวว่าหลวงปูส่สวัตสวัจโจนะท่านกลับมาจากอเมริกามาพักอยู่ที่ปักกร็ด ดีใจไปหาท่านวันนั้นพอดีเลยนะจิตมันวางจิตลงไปโอ้ยดีใจจะเอาตรงนี้แหละไปส่งกันบ้านนะเนี่ยว่าหลวงปู่ครับมาถึงตรงนี้แล้วจะไปยังไงต่อที่ไหนได้ยังไม่ทันออกจากบ้านนะจิตตครุบจิตขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยไม่ยอมปล่อยอะ่ะสั่งไงก็ไม่ปล่อยไม่พอรู้สึกว่าไม่พอขาดขาดอะไรไม่รู้นะรู้แต่ว่าขาดมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันไม่พอ จิตยงดิ้นรนต่อตะครุบจิตขึ้นมาใหม่นั่งรถไปขับรถไปตอนนั้นยังไม่บวชนะสองคนกับแม่ชีแม่ชีก็ยังไม่บวชนะไม่ใช่หลวงพ่อไปหลอกแม่ชีไปไม่ใช่นะต่างคนต่างก็เป็นคารนะอยู่บ้านเดียวกันนั่งรถไปนะพยายามดูทํางานมันจะปล่อยมาไม่ปล่อยจนรถเข้าไปใกล้ที่หลวงปู่พักแล้วใจมันเฉลียวใจขึ้นมา โอ้จิตนี้มันเป็นอนัตตาจริงๆนะมันนึกจะหยิบมันก็หยิบมันนึกจะปล่อยมันก็ปล่อยวางขับมันไม่ได้พอเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาปุม๊มันวางเลยจิตวางจิตลงไปก็ไปถึงหลวงปูป่พอดีนะไป น, นั่งรออยู่พักหนึ่งท่านเป็นอัมพาตพระก็เข็นรถเข็นท่านออกมาจากห้องแล้วก็กราบยังไม่ได้พูดเลยนะหลวงปูทง่ท่านก็ยิ้มขนาดเป็นอัมพาตนะ เป็นเราเราพุ่มใจตายเลยน้ำลายยังกลืนไม่ได้เลยต้องมีคนคอยดูดให้ลําบากขนาดนั้นท่านโสดใสเห็นท่านนําปลื้มใจโอ้ครูบาอาจารย์นะแก่เท่า พ, พิ่กรพิการท่านพี่การานรื่เป็นนามภาสไปท่านก็ดูมีความสุขดูมีความสงบดูร่าเริงนั่งมองท่านะท่านก็พูดออกมาเลยบอกเออการปฏิบัติหน้าบางทีจิตก็ปล่อยวางจิต พอจิตปล่อยวางจิตแล้วนะแล้วมันก็ไปหยิบมาอีกนะท่านพูดของท่านเองนะพูดอยู่คนเดียวเราไม่ได้พูดเลยไปหยิบมาอีกนะทํายังไงมันก็ไม่ปล่อยแต่ว่าพอมันไปเห็นว่าว่าจิตมันไปตกอยู่ใต้ใจรักมันก็วางของมันเองนะเนี่ยเราก็าเห็นอย่างนี้นะเนะี่ยท่านว่าอย่างนี้นะโอ้ยครูบาอาจารย์เรียนกับครูบาอาจารยนะ์นสะใจไม่ต้องถามหรอกเนีย่ยวพวกเราเวลาส่งกันบ้านมางคนพูดมากมากนะ ไล่สาระจริงๆไม่ต้องพูดพูดน้อยๆดีที่สุดพูดมากยากนานยากอะไรยากกับคนฟังเสียเวลานะงั้นจริงๆแล้วจิตมันปล่อยวางจิตไม่ไดนะ้แต่ว่าไม่รู้เพราะอะไรนะค่อยๆภาวนาไปนะเราได้เปิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาหลวงปู่ ด, ดูลนยะ์เคยสอนไว้บอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคนที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือการที่จิตเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์นั่นเองรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งจิตก็ปล่อยวางจิตถ้าจิตรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ถ้าจิตรู้ทุกข์เมื่อไหร่จิตก็จะปล่อยวางทุกวันนี้เราปล่อยวางกายปล่อยวางใจไม่ได้เราไม่เห็นทุกข์ รู้สึกไหมร่างกายเนี่ยทุกบ้างสุกบ้างรู้สึกไหมร่างกายของเราทุกบ้างสุขบ้างเมื่อมันทุกบ้างสุกบ้างนะเรียกว่าไม่รู้ทุกน่ะมันปล่อยไม่ได้หรอกมันก็จะหาทางทําให้ร่างกายมีความสุขหาทางทําให้ร่างกายไม่ทุกพวกเรารู้สึกไหมจิตใจเนี่ยทุกบ้างสุขบ้างเน่ถ้ามันยังทุกบ้างสุกบ้างนะมันก็จะดิ้นรนว่าทํายังไงจิตใจจะมีความสุขจิตใจจะไม่ทุกไม่ปล่อย นะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเห็นความจริงหรือนวะ่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเนี่เรียกว่ารู้ทุกขนะ์ก็จะปล่อยวางร่างกายถ้าไม่ยึดถือกายเนะี่ยเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีฉะนั้นการปฏิบัตินะขั้นสุดท้ายนะอยู่ที่การปล่อยวางจิตให้ได้ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์ มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเราเห็นอย่างนี้จิตจะปล่อยวางจิตไม่ใช่เราปล่อยนะเราปล่อยไม่ได้จิตเท่าปล่อยของเขาเองไม่ว่าจิตจะไปยึดอะไรเนีเราสั่งให้ปล่อยไม่ได้ก็จิตเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าถึงบอกไงว่าไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตเป็นเองเมื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาศิกขาแก่รอบ งั้นการที่จะทำลายตัณหาลงไปเนี่ยจะให้เด็ดขาดลงไปต้องทำลายอาวิชชาอาวิชชาเนี่ยทำลายด้วยการรู้ทุกข์นะรู้ทุกข์ท่านถึงเริ่มจากวิชาก็ความรู้แจ้งอริยสัจสี่เป็นวิชารู้ว่าอะไรคือทุกข์นะรู้หน้าที่ต่อทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นสมุทัยอะไรเป็นหน้าที่ต่อสมุทัย รู้ว่าอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นหน้าที่ต่อ น, นิโรธรู้ว่าอะไรเป็นมรอะไรเป็นหน้าที่ต่อมรตัวแรกคือรู้ทุกทุกคือรูปกระนำคือกายกระใจของเราเนี่เองหน้าที่ต่อต่อทุกคือการรู้ไม่ใช่ละนะแต่หน้าที่ต่อสมุทัยคือละละเบื้องต้นก็นละด้วยสติแต่ว่าถ้าละอย่างแท้จริงละด้วยปัญญาปัญญารู้ทุกทุกตัวสุดท้ายที่เราจะเห็นนี่คจิตนี่คือตัวทุกนั้นหลวงปู่ ด, ดูลถึงบอกว่า จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักท่านพูดแบบออมๆไ้นะไม่ให้นัาเกลียดมากถ้าพูดเต็มยศเลยก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมักสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะบางคนว่ายากไปลึกไปไกลไปถ้าไม่สอนมันก็ศูนย์นะฟังฟังไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆคลมทางค่อยๆเดินไปหลวงพ่อไม่แน่ใจหรอกว่าศาสนาพูทจะอยู่นานแค่ไหนฟังไว้ก่อนแล้วทรงจาไว้ แล้วก็ค่อยๆปฏิบัติไปทำยังไงเรียกว่ารู้ทุกข์ต้องรู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยคือรูปนามคือกายคือใจของเรานี่เองทุกข์ ไ, ไม่ใช่แค่แคว่ า, าอกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์ไม่มีข้าวจะกินเป็นทุกข์นั่นเป็นแค่อาการสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ที่แท้จริงคือรูปนามคือกายกับใจของเราเนี่เองเพราะฉะนั้นเรารู้ต้องรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็น กายนี้เป็นตัวทุกข์ถ้ารู้กายอย่างที่กายเป็นก็คือรู้ทุกข์ใจนี่คือตัวทุกข์ถ้ารู้ใจอย่างที่ใจเป็นก็คือรู้ทุกข์ใช่ไหมทุกข์ให้รู้ดันั้นทำยังไงจะรู้ทุกข์ได้รู้กายรู้ใจได้ศัตรูของการรู้ใายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสองตัวเองถ้าเราไม่เสียท่าไอ้ศัตรูสองตัวนี้นะเราก็รู้กายรู้ใจได้ศัตรูตัวแรกเลยคือการลืมกายลืมใจ ลืมกายลืมใจรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยมีร่างกายก็ลืมใช่ไหมเนี่ยยุงกัดไม่รู้เลยใจลอยไปหรือเดินถนนจะตกท่ออะไรยังไม่รู้เลยใจลอยมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจจิตใจขณะนี้เป็นสุขหรือจิตใจขณะนี้เป็นทุกข์ก็ไม่รู้จิตใจขณะนี้ดีหรือจิตใจขณะนี้โลภหรือโกรธหรือหลงไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่าง ตรงที่เราใจลอยไปมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจมันทําให้เรารู้ทุกข์ไม่ได้แล้วก็เรารู้กายรู้ใจไม่ได้เนื้อศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะของนักปฏิบัติเนี่ยคือการลืมตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ตั้งมั่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองไม่ว่าจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องตั้งมั่นมันถึงจะเจริญปัญญาได้ ถ้าจิตใจร่อนเร่ไปเนื่องว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้อง mm. ก็ไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจงั้นพวกเราจะต้องมาฝึกจิตใจนะไม่ให้หลงนานนะไม่ให้หลงยาวคนซึ่งไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันหลงวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงตลอดเลยไม่เคยรู้สึกตัวงั้นเราต้องหัดให้สติเกินบ่อยๆนะ สติเกิดขึ้นมาเนี๋ยวใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติได้เหมือนกันค่อยๆรู้ไปนะทํากรรมฐานอะไรเข้าสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็จิตมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานนะั้นนะรู้ทนันหนีไปละเช่นเราหัดพุดโธพุโทโธพุโทพโธไปจิตมันลืมพุโทโธแล้วมันหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วไปคิดเรื่องอื่นแล้วะมีคิดเรื่องอื่ น, นะออนให้รู้ทนันรู้ทันว่าเขาหนีไปละหรือเราหัดรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้า หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะหายใจสบายๆไม่บังคับวม่าจิตจะต้องดีต้องสุขต้องสงบจิตเป็นอะไรก็ได้นะหายใจเล่นๆหายใจไปสบายๆพอหาย ใ, หใจไปสักพักหนึง่งจิตมันก็ไหลแปเมื่จิตมันไห ล, ไ, หลไปคิดให้รู้ทันนะจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็ให้รู้ทันถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วจิตฟุ้งซ่านจิตเคลื่อนไปแล้วจิตมันจะตั้งมั่น รู้เนรู้ตัวจิตใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นงั้นเราต้องฝึกนะของฟรีไม่มีของดีต้องทำเอาเองต้องฝึกเอาทุกวันแบ่งเวลาไว้อย่างน้อย15นาทีอย่างน้อยนะ15นาทีทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทํากรรมฐานแล้วบงังคับจิตให้สงบทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตถ้าจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ มันไหลไปสองลักษณะอันนึงไหลไปหาสิ่งอื่นส่วนใหญ่ก็จะไหลไปคิดอีกอันหนึงไหลไปหาอารมณ์กรรมฐานเช่นเรารู้ท้องของยุกเนี่ยจิตไหลไปคิดบ้างไหลไปอยู่ที่ท้องบ้างไหลไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองละไหลไปอยู่ที่ท้องก็ลืมตัวเองอีกนะใจไม่ตั้งมั่นให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาบ่อยๆต่อไปพอจิตไหลเนี่ยสติจะเกิดเองเพราะจิตจําสภาวะของการไหลได้แม่น ไหลปุ๊บสติจะเกิดปั๊บเลยไม่ต้องเจตนาให้เกิดจะเกิดเองต้องฝึกนะของฟรีไม่มีอยากได้ของดีต้องทำเอาทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดก็รู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปอยู่ในความว่างก็รู้หายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้หายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้กรรมฐานอะไรก็ได้นะ ไม่ดีไม่วิเศษไปกว่ากันหรอกอย่างคนแต่ก่อนนะชอบเฉียงกันว่ากรรมฐานไหนดีไม่มีกรรมฐานที่ดีเพอร์เฟคไม่มีมีแต่กรรมฐานที่เหมาะกับคนแต่ละคนกรรมฐานอย่างนี้เหมาะกับคนนี้กรรมฐานอย่างนี้เหมาะกับคนนี้จะมาบอกว่ากรรมฐานอื่นที่เราไม่ถนัดไม่ดีเนยไม่ถูกนะใจแคบไปนั่นก็ดีดีสําหรับคนอื่นไม่ใช่ดีสําหรับเรา แล้วของที่ดีสําหรับคนอื่นก็ไม่ใช่ว่าต้องดีสําหรับเราเสมอไปเพั้นอย่างเห็นเพื่อนเขาไปพภนาแบบนี้เราก็ต้องใช้กรรมฐานอย่างเขาเนี่ยไม่ถูกเราต้องดูตัวเองว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหล ะ, ละระลึกได้บ่อยนะเช่นอยู่กับพุโทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ได้เร็วก็เอาอันนี้แหละไม่ต้องเอาอันอื่นหรอนะหรือทุ่ลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดรู้ได้เร็วนะก็เอาลมหายใจเนี่ยทางใครทางมันนะ ทางใครทางมันนะไม่มีอะไรดีวิเศษสมบูรณ์อย่างเดียวหรอกถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วใจมันจะกว้างนะมันจะไม่ได้ตำหนิว่าสำนักน้นถูกสำนักนี้ผิดมันดีด้วยกัน่ะนะดีกันสำหรับแต่ละคนนี่เราฝึกเรื่อยๆต่อไปพอใจมันไหลไปปุ๊บเรารู้ทันใจมันก็ตั้งมันขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่ารักษาดีก็ไม่รักษานะ ต้องกล้าขนาดนั้นนะทำกรรมฐานของเราอีกไหลอีกรู้อีกหลอีกรู้อีกนะต่อไปเนี่ยความรู้สึกตัวจะถี่ถี่ถีขึ้นนะเจอทั่งมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้สึกตัวอยู่ได้ตลอดวันเลยโดยที่ไม่ได้รักษาไว้ถ้ารักษาเมื่อไหร่จิตจะแน่นๆ่นจิตจะแน่นๆน่นนะจิตที่แน่นๆจิตที่อึอดอัดเนี่ยเป็นอกุศลจิตนะจิตที่เป็นมหากุศลจิตนําเบา อ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์จิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ทื่อเป็นอกุศลนะจิตอกุศลแล้วเราไม่บังคับจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ตัวรู้ก็เกิดแล้วก็ไม่รักษาตัวรู้นะถ้าไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกต่อไปตัวรู้เนี่ยถี่ยิบขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยเรียกว่าจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวละ นี่ศัตรูตัวที่หนึ่งลืมตัวเองทําให้รู้ทุกไม่ได้นะก็ฝึกเจอทั่งมันไม่ลืมตัวเองศัตรูเบอร์สองก็คือการบังคับตัวเองนะนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเนี่ยมันจะตกเข้ามาสู่ตัวนี้จะเดินเหินจะกระดุกกระดิกอะไรรู้หมดเลยนะเช่นจะหยิบถ้วยเนะี่ยกําหนดไปเรื่อยเลยรู้หมดเลยมันบังคับกายมันบังคับใจใกายเราก็ผิดธรรมชาติใจเราก็ผิดธรรมชาติ เมื่อเราอยากเห็นความจริงของร่างกายแต่เราไปบังคับร่างกายซะแล้วเราจะไปเห็นความจริงได้ไงเราอยากเห็นความจริงของจิตใจแต่เราไปบังคับจิตใจซะแล้วเราจะไปเห็นความจริงได้ยังไงเราต้องรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะให้กายมันทำงานไปนะมันจะหายใจออกก็แค่รู้สึกหายใจเข้าก็แค่รู้สึกมันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็แค่รู้สึกนะแต่บางคนก็มีอุบาย บืงต้นมันไม่ยอมรู้สึกก็กําหนดไปก่อนะหายใจออกหายใจเข้าก็กําหนดไปนะดูท้องพองหนอยุบหนอก็ไม่ได้ผิดอะไรร้ายแรงหรอกนะแต่ถ้ากําหนดตลอดชตัติก็ไม่ขึ้นมีปรัสนาหรอกเขาหมดแต่คิดนะมิปรัชนาต้องไม่คิดนะมิปรัชนารู้เอาถ้ายัางคิดอยู่ไม่ใช่มิปรัสนามันเป็นวิตกมิตกไปว่าตรึกว่าคิดมิปรัสน า, ว, า, ว, าว่าเห็นลองล อ, งอย่างนี้สิลองไปยักหน้าสิรู้สึกไหม รู้สึกไหมร่างกายเป็นอย่างนั้นเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยใจกรรมฐ า, านเป็นงานของใจนะนี่นเราเห็นด้วยใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นด้วยใจรู้สึกแค่แค่รู้สึกเอาใจทำหน้านที่รู้สึกมีความสุขมีความทุกข์ขณะ น, นี้ใครมีความสุขยกมือสิใครมีความทุกข์ใครเฉยเฉยใครไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉย แล้วพวกที่ไม่ยกมือแปลว่าอะไรนั่งหลับไม่ได้ฟังไม่รู้ว่าหลงพ่อถามอะไรเนี่ยถ้าใจมีความสุขเราก็รู้แค่รู้สึกแค่รู้สึกงั้นตรงที่รู้พอดีพอดีนะแค่แค่รู้สึกรู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจเราก็จะเห็นนะร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าใช่ชีวิตเราตายลงไปเรื่อยๆตายไปทุกลมหายใจเข้าออก ชีวิตนี้ไม่แน่นอนร่างกายที่หายใจดูไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มันหายใจถ้าไม่หายใจมันทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนการหายใจไปเรื่อยเพื่อหนีทุกข์ไปเรื่อยโอ้ร่างกายนี้ทุกข์จริงๆคอยรู้สึกอยู่ที่กายไม่เห็นกายเป็นทุกข์ร่างกายนั่งนะยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถสี่นั่งก็นั่งได้ไม่นานต้องนั่งก็ยุกยิก็ยุกยิ เดี๋ยวเดินเดินได้ไม่นานต้องไปนั่งหรือจะวิ่งหรือจะนอนะแต่และยีรดียบทอยู่ได้ชั่วคราวทาไมเราต้องเปลี่ยนอีเดียบทเพราะร่างกายมันทุกข์นั่งก็ทุกข์ใช่ไหมนอนก็ทุกข์นะถ้านอนแล้วพลิกตัวไม่ได้เลยนะเป็นอัมาพาตนอนไม่พลิกไม่ได้คนที่เคยพลิกให้เราก็หลับไปซะแล้วนะทุกข์มากเลยนะร่างกายเน่าเลยทุกข์ขนาดเน่าทั้งเป็นเลยเพราะฉั้นะจริงๆแล้วร่างกายเป็นตัวทุกข์ เนี่ยพอเรามีสติเราลึก อ, อยู่ในร่างกายนะแล้วโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งร่างกายให้นิ่งๆเราก็จะเห็นความจริงของกายศัตรูของการปฏิบัติมีสองตัวอหนึ่งลืมกายลืมใจเราก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองด้วยการรู้ทันจิทตที่ไหลไปไหลไปไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้จิตจะอยู่กับตัวเองพออยู่กับตัวเองแล้วอย่าเพ่งอย่าจ้องไม่ใช่อยู่กับตัวเองแล้วจ้อง เนี่ยมันจะจ้องอย่างเดียวนะมันจะเห็นรูปธรรมมันจะเห็นนามธรารมแต่มันจะไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นรูปธรร ม, มเห็นนามธรรมเนี่ยเราจ้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาเลยมันจะตกมาข้างสุดตรงข้างอัตตะกิลมฐานโยคนกข้างบังคับควบคุมกายควบคุมใจจะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เราปล่อยให้มันทํางานไปนตามธรรมชาติธรรมดาหลวงพ่อถึงพูดได้ๆอย่างจิตใจ นักปฏิบัติเนี่ยชอบไปบังคับจิตให้แข็งแข็งจิตแข็งแข็งแล้วบอกไม่เห็นม่นจะเป็นไรมันก็แข็งอยู่อย่างนี้มาตั้งปีหนึ่งแล้วยังแข็งอยู่เหมือนเดิมนะแข็งนี้เที่ยงหนอ่อนะกลายเป็นแข็งเที่ยงซะอีกนะแล้วกลายเป็นกูเก่งนะกูบังคับได้จิตของกูสงบทั้งวันเลยแต่สงบแบบแข็งแข็งเนี่ยอย่างเงี้ยคนมาด่าก็เฉยคนมาชมก็เฉยบอกว่าเนี่ยจิตเป็นอุเบกขาไม่ใช่หรอกนี่จิตพิก า, นะตพพการนะจิตเป็นพิกลพิการละ ปล่อยให้มันทํางานตามธรรมชาติหลวงพ่อบอกเลยเลยจิตของเด็กก็ดีจิตของเด็กไม่มีมารยาเด็กที่ภาวนามไม่เป่นนะนะั่นแหละจิตดีมากเลยนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเสียใจน้ําตานองหน้านะน้ําตายังไม่แห้งเลยหัวเราะได้อีกแล้วเนะี่ยจิตนะอย่างนั้นดีนะแต่เด็กมันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่มีสติพวกเรามีสติแต่เรามีจิตที่ผิดธรรมชาติจิตที่แข็งไปมีตต่กายที่ผิดธรรมชาติ นั้นปล่อยให้กายทำงานปล่อยให้จิตทำงานนะมีสติระลึกรู้ไปเรียนรู้ไปเรียนรู้แค่รู้สึกรู้สึกถึงร่างกายเราก็จะเห็นความเป็นจริงของร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแต่ก้อนทุกมีสติระลึกรู้จิตใจไปก็จะเห็นนะจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะสุขมันก็สุขได้เองไม่ได้เจตนาสงบมันก็สงบได้เอง และทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไปหมดเไปตรงที่เห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเรียกว่าอนิจจังตรงที่เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ไม่อยู่เ น, นี่นาันเรียกว่าอนัตตาถ้าดูกายเนี่ยจะเห็นทุกข์นะดูกายนี่เห็นทุกข์ได้ง่ายทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นแล้วก็เป็นอนัตตาในแง่ที่มันเป็นวัตถุร่างกายนี่เป็นวัตถุ มีลมไหลเข้ามีลมไหลออกตลอดเวลานะมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายหมุนไปเรื่อยๆเป็แค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ดูจิตดูใจนี่จะเห็นอ น, นิจจังอนัตตาอ น, นิจจังคือมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยเดี๋ยวก็สศกเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะแล้วก็บังคับไม่ได้เลือกไม่ได้ตรงนี้เรียกว่าอนัตตาสั่งไม่ได้จงสุขตลอดสั่งได้ไหมจงมีความสุข สั่งไม่ได้นะห้ามทุกข์สั่งได้ไหมห้ามไม่ไดนะ้จงดีตลอดจงอย่ากโกรธนะเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธตั้งใจจะไม่รักแล้วก็รักนะ่นั่นเรื่องอนัตตานี่เราคอยรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจเรื่อยๆไปนะรู้ไปได้ตัวศัตรูก็คือเผลอไปนะตัวที่หนึ่งเผลอไปตัวที่สองเข้าไปบังคับกายบังคับใจที่แทรกแซง กายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่ใช้ไม่ได้ไม่เห็นสจรับนะแค่รู้สึกก็จะเข้าสู่ทางสายกลางเพราะเรารู้ทุกขแจ่มแจ้งแล้วนะปัญญาเบื้องต้นมันจะเกิดเบื้องต้นมันจะเห็นความจริงรูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายก็เป็นแค่วัตถุธาตุเป็นรูปธรรมอันหนึ่งจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้เราควบคุมมันไม่ได้มันอิสระจากเราะเนีย่ยมันทํางานได้เอง เดี๋ยวมันก็อยากโน่อนอยากนิ้มก็อยากได้เองมันจะโกรธโน่นโกรธนิ้มันก็โกรธของมันเองมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราก็สั่งไม่ได้เนี่ยปัญญามันเกิดนะรู้เลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเมื่อไหร่พวกเราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวเราไม่มีมีแต่อะไรมีแต่ธาตุมีแต่ขันแต่ไม่มีตัวเราพอเห็นอย่างนี้เราได้ภูมิธรรมของพระโสดาบันนะ คราวนี้ยเราเป็นสุปฏิปันโนสาวะกสังโฆล้วจะบวชหรือไม่บวชเราก็เป็นสุปฏิปันโนละนะครว่าก็เป็นได้คนะรว่าก็ทําได้ค่อยๆดูนะแล้วฝึกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นแค่ปัญญาเบื้องต้นนะของพระโสดาบันมีปัญญาเบื้องต้นรู้ว่าตัวเราไม่มีพวกเรามีตัวเราไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่มีปัญญาะไม่ใช่มีปัญญาเบื้องต้นนะ บูตุชนนี่แหละเขาเรียกว่ายังมืดยังบอดยังหนาอยู่นะยังเป็นคนเหนียวเป็นคนหนาอยู่นะรู้สึกไหมกิเลสนี่มันเหนียวมันหนาจริงๆนะเป็นบูตุชนเป็นคนหนาคนหยาบไม่มีปัญญากระทั่งปัญญาขั้นต้นเนี่ยคิดว่าตัวเรามีจริงๆนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อบอกนะฝึกกรรมฐานสอย่างถือสีท่าไว้ก่อน แล้วก็ฝึกกรรมาฐานในรูปแบบมันหนึ่งสักสิบห้านาทีเป็นอย่างน้อยแล้วจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยในสุดได้ความรู้สึกตัวไม่สุดตกไปข้างหลงพอ ร, รู้สึกตัวได้แล้วนะแค่รู้สึกรู้สึกว่าร่างกายมันทํางานรู้สึกว่าจิตใจมันทํางานอย่าไปเพ่งอยู่ที่กายอย่าไปเพ่งอยู่ที่ใจให้ทื่อๆนะปฏิบัติแล้วแข็งทื่อๆไม่ได้เรื่องถ้าเรารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นปัญญาก็าะจะเกิดเป็นลําดับไป ปัญญาขั้นต้นก็เห็นว่าไม่มีเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราเป็นแค่ธาตุเป็นแค่ขันเป็นวัตถุธาตนะุนร่างกายจิตใจก็เป็นวิญญาณธาตุมัมีขันห้าตัวรูปขันคือร่างกายนะั้นแยกออกไปก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมมีสี่อย่างนมามธรรมแยกออกไปก็มีสี่ขันมีความรู้สึกสุขทุกข์กเบสนา มีความจําได้หมายรู้เรียกสัญญามีความปรุงดีปรุงชัว่วปรุงไม่ดีไม่ชัว่วเรียกสังขารมีความรับรู้เรียกว่าวิญญาณหรือจิตนะก็แยกออกไปรูปก็แยกออกเป็นสี่นามก็แยกได้สี่เหมือนกันเนี่ยแยกแยกแยกแยกออกไปนะก็เห็นแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่เราหรอกความสุขไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เรานะความดีไม่ใช่เราความชั่วไม่ใช่เรานะใจที่เป็นคนดูเนี่ย ใจที่เป็นคนดูเราก็ไม่รักษานะเขาเห็นเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะตัวผู้รู้เองก็แปรปรวนตกอยู่ใต้ไตรรักเหมือนกันเพราะั้นตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไ ต, ไตรลักษเพราะฉนั้นสุดท้ายก็เห็นเลยมันไม่มีเราหรอกไม่มีเราที่แท้จริงมีแต่ของที่เกิดดับเกิดดับไปไเรื่อยๆอย่างจิตนะ่ะเกิดดับไปทางตะวนันทั้ง6เดี๋ยวจิตจะไปเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดระดับ แต่ถ้าเราไปรักษาตัวรู้ไว้ตลอดเวลานะรู้ตัวตลอดเวลาเนี่ยใช้ไม่ได้นะมันไม่เห็นเกิดดับหรอกจิตใจตามธรรมชาตินี่มันเกิดดับอยู่ทางตางบานทั้งหกอยู่แล้วปล่อยให้มันทํางานแล้วก็ระลึกรู้ไปรู้เล่นๆรู้สบายๆรู้บ้างเผลอบ้างอย่าเผลอนานเท่านั้นนะถัาเผลอไปใจไหลถ้าใจไหลเรารู้ทันนะก็กลับมารู้สึกล้วนั้นต้องฝึกนะฝึกใจไหลแล้ว ร, รู้ไหลแล้ว ร, รู้ฝึกไปตัวนี้สําคัญ เราไปภาวนานะปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีปัญญาเบื้องกลางเนี่ยจะเห็นว่าสิ่ที่มีนะสิ่งที่มีคือตัวทุกข์แต่สิ่งที่มีอันแรกที่เห็นว่าตัวทุกข์นั้คือส่วนของรูปจะเห็นว่าส่วนของรูปนี่เป็นตัวทุกข์ร่างกายนี้เป็นทุกข์พอรู้ทันว่าร่างกายซึ่งแยกออกไปอีกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายมันคือตัวทุกข์เนี่ยมันก็จะหมดความยึดถือในตาในหูในจมูกในลิ้นในกาย เมื่อตามันยังไม่ยึดเลยมันจะไปยึดรูปทําไมเมื่อหูมันไม่ยึดมันจะยึดเสียงทำไมเมื่อจมูกมันไม่ยึดมันไม่ยึดกลิ่นหรอกทุกวันนี้เรารักตาเพราะเราเราเอาตาไปดูรูปได้ใช่ไหมเราก็รักมันแต่ถ้าเรารู้ถันนะตาก็อาศัยอะไรไม่ได้จริงหรอกถึงวันหนึ่งก็แปรปรวนไปทุกวันนี้มีตาอยู่ก็อาศัยเห็นรูปไปเท่านั้นงแต่ไม่ได้หลงไหลได้เพลื่อมว่ามันจะต้องดีตลอดนะเนใจมันยอมรับสภาพเห็นได้แค่ไหนก็แค่นั้น กระทั้งตายังไม่รักมันกไม่รักรูปหรอกนะเมื่อมันไม่รักรูปมันก็ไม่เกลียดรูปมันรักได้มันก็เกลียดได้นะมีรักก็มีชังของคู่กันตามและปฏิฆามันก็ขาดไม่เกิดอีกแ ล, ะละ้วล่ะเพรนั้นถ้าเมไร่ปัญญาแจม่มแจ้งว่าไก่นี้คือตัวทุกขนะ์นั้นเราจะรักกรรมาราคาได้รัปฏิฆาได้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะข้าอนาคามีไม่ยึดไกนะ่ละต่อไปปัญญาขั้นสุดท้ายนะปัญญาขั้นสูงสุดเนะ่ย จะเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ก็จะปล่อยวางจิตได้เพนะราะที่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยบางท่านเห็นว่าจิตนี้ทุกข์เพราะไม่เที่ยงนี่ว่าเห็นอนิจจังก็ปล่อยวางจิตบางท่านเห็นว่าจิตเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคัน้นนี่เรียกว่าเห็นทุกขังแล้วก็ปล่อยวางจิตบางท่านเห็นว่าจิตเนี้ยไม่ใช่ตัวใช่ตนนะม่ยึดถืออะไรไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปเห็นอ น, นัตตา เห็นมุมใดมุมหนึ่งก็พอแล้วล่ะไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างใจรักนั้นเวลาเห็นนะเห็นอันเดียวนะไม่ต้องเห็นสามัญเวลาหลุดพ้นก็หลุดพ้นด้วยอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเองนะกระทั่งขั้นพระละหันนะไม่มีหรอกพระละหันบรรลุแล้วก็โดยเห็นใจรักสามอย่างเห็นนั่นแต่อันหนึ่งนั่นแหละก็คือเห็นทุกจิตนี้คือตัวทุกทุกเพราะไม่เที่ยงทุกเพราะถูกบีบคั้นทุกเพราะไม่อยู่ในอำนาจนะ่อค่อยๆดูไปแล้วแต่จิตมันจะเลือกเอง ถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะวันหนึ่งเราก็จะหลุดออกไปเรียกว่าทำํำลายเอาวิชาได้ละรู้แล้วว่าขันห้าคือทุกเรียกว่ารู้ทุกแจ่มแจ้งเมื่อรู้ทุกแจ่มแจ้งแล้วตัณหาจะไม่เกิดอีกตัณหานะมีมากมายไก่ยกองย่อลงมาแล้วก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจคนทุกข์ก็เมื่อรู้ว่ากายใจคือตัวทุกข์แล้วเนี่ยมันไม่มีความอยากนะ้ความอยากเป็นความไร้เดียงสาไปอยากให้ตัวทุกข์มันไม่ทุกข์เนี่ย หรืออยากให้ตัวทุกข์กลายเป็นตัวสุขเนี่ยมันเรื่องหลายเดียงสาจิตมันยอมรับความจริงว่าขันห้าเป็นทุกข์เมื่อยอมรับความจริงจิตไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งต่อไม่มีความอยากเราก็ไม่ดิน้นไม่ดิ้นก็ไม่ยึดไม่ยึดก็ไม่ทุกข์นะนี่มันจะปล่อยเป็นลําดับลําดับไปนะัต่อไปถ้าปัญญาเราแก่กล้ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ร, รู้ในกองขันนะว่าตัวทุกข์สมุทยัยคือตัวตัณหาจะถูกละแต่ละครั้งเดียวแล้วไม่ต้องละอีกแล้ว ไม่เหมือนละด้วยสติถ้าละด้วยสติต้องละแล้วละอีกทุกวันอ่ะวันหนึ่งหลายหลายรอบแต่ถ้าละด้วยปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจรู้ทุกเมื่อไหร่ละสมูทัยเมื่อนั้นแล้วไม่มีสมูทัยให้ละอีกละปัญหาไม่เกิดอีกล่ะนิโรธคืพรนิพพานก็ประจักษ์เต็มแจ่มแจ้งอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ต้องไปหานิพพานที่อื่นเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่จิตยึงเข้าถึงสันติสุขตัวสันตินั่นแหละตัวนิพพาน สัมผัสเร่าน้มีแต่ความสุขนะนี่เป็นสันติสุขมากเลยชีวิตนี้มีแต่สันติสุขไม่ต้องไปแขวนป้ายเรียกร้องสันติภาพที่ไหนสันติภาพอยู่ที่ใจนี่เองค่อยๆฝึกนะหลกงพ่อสอนภาพรวมไม่ให้นะเพราะไม่แน่ว่าวันข้างหน้าเราจะเจอกันอีกกี่ครั้งกี่คราวนะจําไว้ก่อนแล้วค่อยๆภาวนาันอย่างที่บอกโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ไม่รู้ใครจะตายก่อนใครนะพวกที่นั่งอยู่ในนี้ก็หลวงพ่อทุกอย่างไม่มีความแน่นอนงั้นเราศึกษาธรรมะแล้วรู้เรื่องแล้วรีบลงมือปฏิบัติถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงคราวนี้ใครมาจ้างเราให้เปลี่ยนศาสนาเราไม่เปลี่ยนหรอกเพราะเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงพระพุทธศาสนามีประโยชน์ พุทธเจ้ามีคุณก่บเราพระธรรมมีคุณอันยิ่งใหญ่พระสงฆ์มีคุณอันยิ่งใหญ่ะเรารู้จักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทุกวันนี้ไปเสกพรบเครื่องนะบอกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นนั่นพุทธภาณิชย์นะแล้วพอสมควรแก่เวลาะส่งกันบ้านบอกแล้วนะส่งกันบ้านอย่าพูดยาวไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าพูดซะหน่อยไม่ให้น่าเกลียดหรือถ้าพูดคนเดียวจะน่าเกลียดไป กับน้ำมัสการนะคะหลวงพ่อพระมรดความจริงหนูก็ไม่ได้มีอะไรจะส่งมากนะคะแต่ว่าจะถามเผื่อท่านอื่นๆด้วยพอดีอยากถามว่าถ้าเกิดว่าปฏิบัติในรูปแบบอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วถ้าเกิดว่าจิตมันมันฟุ้งมากไหลไปข้างนอกมากเนี่ยนะคะหลวงพ่อแล้วมันมันเหมือนมันโฟกัสไม่ได้อะคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่ากลับเข้ามาดูในวิหารธรรมมันก็ปวดหัว มันมันเหมือนมันเพ่งไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไปเดินจงกรมเนี่ยก็มันจิตมันก็ไม่จับอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะทํำยังไงอะคะคือที่หนูทํากรรมฐานแล้วปวดหัวนะวก็ทําด้วยความโลภมีตัณหาอยากสุขอยากสงบอยากดีนะแท้จริงแล้วถ้าจิตฟุ้งซ่าน ร, รู้ว่าฟุ้งซ่านแค่นี้มันก็สงบเองนะเพราฟุ้งซ่านก็ไม่เจี่ยงนะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ทําทกรรมฐานสัอย่างหนึ่งแต่อย่าอยากให้จิตสงบทํำเล่น นะจิตฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ก็หนีไปคิดใช่ไหมแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสสปนะให้มันมาคิดนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธธรโมสังโฆอะไรไปคิดเล่นๆคิดสบายใจคิดไปถึงนะนึกถึงพระพุทธโลกสระองค์หนึ่งที่สวยๆถูกใจเรานะหรือนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ถูกใจเรานะแล้วก็บริกรรมของเราไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าทําได้อย่างนั้นแป๊บเดียวก็สงบแล้วละ่ะ ทําได้ใจที่สบายใจที่ผ่อนคลายเดี๋ยวเดี๋ยวก็สงบต้องทำสมถะถ้าฟุ้งจนจทั้งดูอะไรไม่รู้เรื่องนะแต่ทําสมถะอย่าไปเค้นจิตให้สงบให้เค้นจิตให้สงบปวดหัวไปเลยะทําเล่นๆหายใจเล่นไหมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนหายใจเล่นๆไปแต่เริ่มต้นนะหายใจทิ้งไปหน่อยหนึ่งก่อนหายใจออกทิ้งไปนิดนึ่งก่อน แล้ค่อยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทีหลังหายใจจริ้งไปทีแรกเนี่ยมันทำให้ใจคลายออกโดยธรรมชาติเวลาที่เราหายใจออกใจมันจะคลายหายใจเข้ามันจะกลิ่งนั้นเริ่มต้นหายใจออกซะหน่อยแล้วค่อยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทีหลังสงบก้ช่างไม่สงบู้ช่างเดี๋ยวดียก็สงบแล้วเป็นทักษะว่าทำไงจิตจะสงบเร็วต้องฝึกขอคนะคะหพ่อ มาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือของหนูตอนนี้ก็คือเห็นแต่ทุกไปหมดเลยเจ้าค่ะเห็นอะไรนะเห็นแต่ความทุกเจ้าค่ะอแล้วก็เกิดความเบื่อแล้วก็น่งร้องไห้แล้วก็อยากจะไปอยู่กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากกลับบ้านเจ้าค่ะไม่รู้เป็นยังไงหลวงพ่อช่วยให้กันบ้างเลยดิเจ้าค่ะเวลาเห็นความทุก์เกิดความเบื่อขึ้นมานะให้รู้ทันว่ามันเบื่อ อย่าปล่อยให้ความเบื่อครอบงําจิตอย่าปล่อยให้ความทุกข์ครอบงาจิตจิตเราไม่ไม่เป็นกลางอนะ่ะมันไปยินร้ายต่อสภาวะทั้งหลายเมื่อจิตไปยินร้ายต่อความทุกข์นะต่อความเบื่อจิตไม่เป็นกลางมันเดินปัญญาต่อไม่ได้มันก็ติดอยู่ตรงนี้เละงั้นจะผ่านตรงนี้ได้ให้รู้ทันว่าจิตไม่ชอบเลยจิตเป็นกำลังเบื่อแล้วก็มันไม่ชอบที่เบื่ออย่างนี้นะมันไม่ชอบที่ทุกข์ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางอ่ะ รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางได้ใจเป็นกลางไม่จะผ่านตรงนี้ไปพอนาแนละ้วพอเห็นความจริงมันจะเบือ่อเป็นทุกคนแหละแต่เบื่อแล้วมันครอบงาจิตเนีย่ยปล่อยให้มันครอบงาจิตตอนเนี้ยจิตไปอยู่ที่ไม่รู้สึกไหมเมื่อกี้จิตปไปไหลไปอยู่ที่ไม่ของคุณนะโดยการภาวนานะคุณแยกขันไดนะ้คุณเห็นรูปนามเกิดดับได้นี่จิตมันก็เกิดความเบือ่อแต่มันถูกความเบือ่อครอบงําให้รู้ทันว่าจิตเบือ่อ นะถ้าจิตถูกความเบื่อครอบงําให้รู้ว่าถูกครอบงำแล้วนะถ้าเกิดไม่ชอบความเบื่อขึ้นมานะให้รู้ทันว่าไม่ชอบอีกเท่านี้แหละมันก็คนลนะมันต้องเป็นทางฐานเจอทุกคนแหะถ้าภาวนาผิดก็ไม่เจอนะภาวนาถูกก็แสดงว่าเบืเ่อบางคนได้ยินอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้แกล้งเบื่อแตาอย่างนั้นไม่ได้นะของปลอมทพอปเจ้าค่ะคือมีคำถามอีกค่ะคือมันอยู่ไหนมันชอบยิ้มว่าเจ้าค้ามันเป็นยังไงเจ้าค้าอะไรนะ นั่งยิ้มไม่เจ้าค่ะเห็นหลวงพ่อก็ยิ้มไม่เจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอก <c oughs> แต่ว่าก็ต้องมีสตินะนั่งยิ้มเดินยิ้มนอนยิ้มคนก็เห็นเนื้อก็สงสัยเนื้อเขาจับส่งโรงบาลหลวงพ่อก็ยิ้มทั้งวัน <c oughs> เมื่อก่อนนะยังรับราชการอยู่ <c oughs> เดินก็ยิ้มเห็นนอนก็ยิม้มเห็นนี่ก็ยิม้มคนเขาถามว่ายิ้มอะไรอะ่ะ บอกช่วยไม่ได้เรามีความสุขมีความสุขแล้วจะให้ทำหน้าบึ้งเหรอเนี่ยที่เป็นอยู่นี่ปกติใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ปกติอ๋อแล้วเราจะทำยังไงเจ้าค่ะป่อย ม, มันยิ้มเลยะคะ่ะ ม, มันถูกอารมณ์ครอบงำเมมันถูกปิติครอบงำเวลาเบื่อก็ถูกความเบื่อครอบงำจุดอ่อนเลยนะก็คือจิตเนี่ยอ่อนไหวเกินไปถูกอารมณ์ทั้งดีและชั่วครอบงำ ใ, ให้รู้ทันนะจิตต้องเข้มแข็งกว่านี้ จิตออนแอร์ไปอ๋อคือการบ้างของโยมนี่คือให้รู้ทันรู้ทันลงไปทั้งสุขและทุกข์เจ้าค่ะใช่เวลามีปีติขึ้นมาก็ถูกมันครอบเวลามีความเบื่อเกิดขึ้นก็ถูกมันครอบอีก อ, อย่าปล่อยให้มันครอบเจ้าขา้มแข็งไปกลับธรรมาสกังข้าเจ้าขออู้กระเมืองโนเจ้าว่าหลวงพ่อจะฟังออกหรือฟังออกหรือเปล่าลูกลองดู ออกน้าเจ้าเอออย่างนี้ยังออกอยู่ค่ะข้าเจ้าก็ขอนวลาสแกงหลวงพ่อเนี่เจ้านเมื่อข้าเจ้านั่งตีนกระเจิตไหลโดยโดยหลวงพอ่อเนี่ยจะข้าเจา้าก็ขออนุโมทนาโดยหลวงพ่อก่อนเน า, าะเออสาธุตัวนี้ยังฟังออ่ะคข้าเจ้าขออุ้กําเรื่องเลยเนี่เจ้าเวลาข้าเจ้าหน้าอาะยืนนั่งเดินนอนเ น, น, นีเจ้าถึงตอนนอนตายเนี่ย มันกรโหลเขาบว่าแต่เนี่ยเจ้าจิตมันบอกว่าไหลไปตามไหลไปตามไหลไปตามนี่คือเป็นจะได้อ่ะเจ้าฟังไม่ออกครับไม่ฟังออกแต่แปลไม่ออกแปลหน่ อ, นอยอ๋อหลวงพ่อเจ้าค่ะยายเขาบอกว่าเวลาเห็นร่างตายอ่ะจิตมันจะไหลคืออารมณ์จะไปกับการตายนะคะเจ้าค่ะไปกับการตายหมายถึงว่าตัวเองตายไปในอารมณ์นั้นเนี่ยเจ้าค่ะ มันเป็นยังไงวา <c oughs> ขอโทษอ่าขอโทษนะจ้าค่ะอ่า ต, ตอนที่หนูอ่าหนูนั่งนั่งยืนนอนเลยนะคะว่ารู้ว่าตอนนั่งละมันตายอ่ะตอนตายนั่นก็นบอกว่ามัน จิตมันมันแบ่งล่างแล้วนะคะจิตมันรู้ว่าเออตอนตายเนี่ยแล้วให้รู้รู้รู้รู้ตามมันตามมันไปเรื่อยๆมันต้องคิดอะไรแต่ในใจแล้วมันรู้ว่ารู้ว่า ล, ลมหายใจเรารู้รู้ทุกขั้นตอนนะคะก๋ว <hone S 2> ยมันไหลไปตืบอกว่าแล้วไม่ที่ อ, อะไรนะชะก่ะเอามันก็ไปคิดเรื่องตายสิตอนตอนหนูตายที่ปฏิบัติแล้วว่าเออมันกระดิกตัวไม่ได้อ่อจา่าฮะให้รู้ว่ากระดิกไม่ได้จา่ารู้รู้ว่ากระดิกไม่ได้แล้ว จิตมันบอกว่าเออตอนนี้เราตายฉันรู้ว่าเราตายเงี้ยเราเปน อ, อ, อย่างนี้แหละเงี้ยจ้ะคะว่าตายมันอย่างนี้แหละอ่ะมันต้องคิดอะไรมันบอกไปมันเนี่ยเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยไปอย่าคิดอะไรไปไปไปเรื่อยๆเลยเนะจ้ะเออแต่อย่างนั้นได้นะะ ไ, ไปเกิดอีกแหละ<ช><ช>เดี๋ยวมันก็ไปเกิดนะแต่เรามีสติอยู่มันก็ไปดีหน่อยอันนู้นแล้วอะมาสการค่ะหลวงพ่อถ้าจะให้ดีกว่านี้นะร่างกายมันกระดุกกระดิกไม่ได้แล้วก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ดูอย่างนี้เลยนะร่างกายที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่เราหรอกแล้วก็จิตใจนี้ะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรรู้ทันไปเรื่อยๆะเห็นแต่ความไม่เที่ยงดูอย่างนั้นนะเราจะเจริญขึ้นไม่งั้นเราจะไปคิดเรื่องตายแล้วตายแล้วปล่อยไปอย่างนั้นไปสุขติไม่นิพพานนะถ้าอยากนิพพานก็ร่างกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ก็ทํางานของมันไปไม่ใช่เรา มันแยกกันอ่ะก็ฉันมาการค่ะหลวงพ่อคือหนออูส่งกันบ้านหลวงพ่อไปมแม่เดงกันยาค่ะแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าเครียดหลวงพ่อก็เลยปรับตอนนี้ก็ปรับให้มีรู้สึกตัวในชีวิตปัจจุบันค่ะในตั้งแต่เช้าจดเย็นแต่ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างค่ะหลวงพ่อดีแล้วล่ะถ้ารู้ตลอดเวลาจะเครียดค่ะนะอันนั้นจงใจมากไปก็เป็นธรรมชาติมันก็ไม่เครียดหรอก ค่ะแล้วก็ทําในรูปแบบแค่ประมาณสิบห้านาทีแต่จะรู้แค่ประมาณสามสิบวิเองค่ะอาจารย์แต่รู้แบบหนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวินะคะใช้ได้ค่ะจะรู้ตลอดเวลาใช้ไม่ได้นะมันเพีแล้วหนูยังไม่เห็นทุกค่ะไม่หเห็นก็ช่างมันค่ะหนูยังรู้สึกสุขและทุกอยู่ค่ะเออนั่นแหละสุขเกิดขึ้นให้รู้ทุกเกิดขึ้นให้รู้เห็นไหมเกิดได้เองดับได้เอง เห็นไหมมันไม่เที่ยงดูอย่างนั้นแหละตอนนี้ยังไม่ใช่เวลารู้ทุกหรอกอันนั้นในขั้นที่จะปล่อยขันแล้วในขั้นนี้ให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเอาแค่นี้ก่อนหลวงพ่อ่าขอกันบ้านด้วยค่ะนี่แหละไปดูสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะไปบังคับมันขอบพระคุณค่ะการนั้นมัสการหลวงพ่อค่ะ วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสให้ได้มาส่งกันบ้านกับหลวงพ่ อ, อเออคือเท่าที่ฟังหลวงพ่อแล้วก็พยายามปฏิบัติตามหนูรู้สึกว่าเอ่อคือถ้าเรารู้สึกยังไงเราก็ให้เอ่อถ้าเราเป็นยังไงก็ให้รู้ตามใช่ไหมคะโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธ ก็ก็รู้ว่าโกรธแต่มันก็ยังโกรธอยู่อะค่ะไม่ชอบรู้สึกไหมค่ะไม่ชอบให้รัว่วไม่ชอบก็ยังคือมันก็จะมีเหตุผลขึ้นมาว่ามันก็ควรจะไม่ชอบมันก็ควรจะต้องโกรธก็อย่างนี้คิดมากไป <c oughs> ดูได้แค่ไหนเอาแค่นั้นโกรธรู้ว่าโกรธไปก่อนคือมันมันไม่ดับอะค่ะเรารู้แต่ว่าก็รู้สึกไหมก็นิดนึงค่ะนั่นแหละดูตรงนั้นแหละ สภาวะธรรมทั้งหลายนะจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือจะชั่วจะมืดหรือจะสว่างจะหยาบหรือจะละเอียดเยนะี่ยเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยมันไม่เท่าขึ้นมาพราะจิตเราไปให้ค่าไปสัมผัสสภาวะอย่างนี้ก็ยินดีสัมผัสสภาวะอย่างนี้ก็ยินร้ายให้รู้ทันสภาวะที่ยินดียินร้ายนะรู้ความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเวลาจิตไปรู้สภาวะทั้งหลายเช่นไปรู้ความโกรธเนี่ยจิตเกิดความยินร้ายไม่ชอบอยากให้หายเี่ย รู้ทันใจที่ไม่ชอบใ่ที่อยากให้หายโกรธเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้หายโกรธนะแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าความโกรธ น, นี้ก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้รู้สึกไหมบังคับไม่ได้สั่งให้หายก็ไม่หายนั่นแหละธรรมะอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงที่เราเห็นไตรลักษณ์เราเห็นว่าความโกรธนี่บังคับไม่ได้สั่งให้หายก็ไม่หายดูตรงนี้ต่าหากไม่ใช่ปฏิบัติให้หายโกรธนะอยากหายโกรธก็ไปดูหนังฟังเพลงลืมลืมไปเรื่องที่ทําให้โกรธก็หายแล้ว นะแล้วถ้าเราเรารูว่าเราโกรธแล้วมันจะยังเป็นเวรกรรมไหมคะคือจิตแบบไหนที่มันจะไม่ก่อให้เกิดเวรกรรมต่อไปอีกะะเป็นโกรธเนี่ยเป็นกิเลสยังไม่ได้ทำกรรมนะแต่ถ้าเกิดการกระทำกรรมแนละ้วมีความจงใจขึ้นมานะจงใจจะไปทำรา้ายเขาอะไรเขานื้อแช่งด่าเขาอยู่ในใจอันนี้ถือทำกรรมแนละ้วเป็นมโนกรรมอันนี้จมีผล ถ้าแค่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธไม่มีผลอะ้ร ห, หรอกจิตยังไม่ได้ไปปรุงต่อไปดูบ่อยๆไป๊ะอย่าไปหวังว่าจะต้องไม่โกรธนะแค่ว่าเห็นไหมความโกรธมันเป็นเองเราสั่งไม่ได้ดูตรงนี้ตนะ่างหาดูบ่อยๆให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับดูตรงนี้นะคะ่ะต่อไปการหลวงพ่อค่ะ หนูเจอหลวงพอ่อที่พิษนุโลกค่ะแล้วหลวงพอ่อว่าหนูขี้ีขี้เหนียวออจริงๆก็ไม่ก็เลยติดใจตรงนี้ ก็เลยตามหลวงพ่อมาครั้งที่มันขี้เหนียวยังไงวะครั้งที่ส่งอารมณ์ส่งกันบ้าน ก, กับหลวงพ่อที่พิษณุโลกนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อให้หนูอนุโมทนาอแล้วหนูก็นึกไม่ทันอในวันนั้น เ, ออเราบางทีเราทําบุญนะแล้วเราหวงอน ะ, ะเราไม่อยากแผ่ส่วนบุญน ะ, ะเราหวงอย่าง น, นี้ขี้เหนียว <laughs> อองั้นเราทําความดีนะแล้วก็บอก คนไหนเขาสนใจแล้วก็ให้เขาอนุโมทนาให้เขามีส่วนแห่งบุญอย่างนี้ใจเรากว้างกวางออกไปไม่ขีด้เหดนียวนะจริงๆไม่ไม่ได้มีสังเกตไหมว่าจิตดีขึ้นจิตดีขึ้นค่ะดูออกนะดีหลวงพ่อบอกให้ทำอะไรทําทำทำไปเถอะน ะ, จะเจริญ น, นะ <laughs> ไม่มีหลอกหรอกก็จริงๆคือหนู ตอนนี้การปฏิบัติจะมองเห็นว่าเหมือนทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติเฉยๆอะค่ะหลวงพ่อให้ดูตรงนี้ด้วยจิตมันเกิดความเบื่อขึ้นมาความรู้สึกเบื่อเนี้ยยังครอบจิตอยู่นะยังย้อมจิตได้อยู่ให้รู้ตรงนี้เข้าไปอีกทีหนึ่น<ะ>งเราะฉนั้นเรารู้ตามความเป็นจริงก็เกิดเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายกําหนัดหลุดพ้นเป็นลําดับไปแต่ถ้าเบื่อเราแช่อยู่กับเบือ่อมันก็ไม่ไม่มีอะไรอะ่ะก็ติดอยู่งั้นให้รู้ทันว่าจิตมีกาติดอารมณ์อยู่ มันเหมือนเหมือนมันนิ่งๆไปเฉยๆมันมันเห็นสภาวะอย่างที่หลวงพ่อสอนจะค่ะแต่มันไม่เฉยหรอกมันถูกอารมณ์เบื่อครอบงาอารมณ์เบื่อเนี่ยมันย้อมใจใจมันจะซึมๆไปนิดหนึ่งไม่แช่มชื่นมันไม่ใช่นักปฏิบัติแบบที่รู้ตัวจริงๆนะที่ผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยรู้สภาวะนะเห็นโลกนี้น่าเบื่อแต่ใจแช่มชื่นนะ แต่ถ้าเห็นโลกหน้าเบือ่อใจก็ซึมไปด้วยเบื่อไปด้วยให้เนี่ยติดอารมณ์นะเพราะฉะนั้นอย่างพระอราหันต์นะท่านรู้โลกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งโลกนี้มีแต่ทุกข์จิตท่านไม่ได้เบื่อนะไม่ได้มีความซึมเศร้าอะไรไม่มีเลยจิตล่าเริงเบิกบานสงบงั้นเราต้องผ่านจุดนี้ไปอย่าอย่าปล่อยให้อารมณ์เบือ่ออารมณ์ซึมเศร้านะครอบงาใจได้ให้รู้ทันที นะ้ารู้ทันว่ามันครอบใจนั้นก็หลุดออกมาก็ผ่านตรงนี้ไปทำได้ดีแล้วละ่ะดีกว่าเก่าเยอะเลยสงสัยทราบไหมสสยอยากพูดรู้ไหมเออได้สสรู้อยาคือว่ามันไม่รู้สึกว่ามันเบื่อค่ะตอนนี้มันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเบื่อใจใจมันจะซึมไปนิดหนึ่งนะอาการนั้นเนปะ็นอาการที่ใจมันเบื่อกับภาวะนะมันซึมใจมันจะซึมซึมเฉยเฉย มันไม่เคลื่อนไหวเบิกบานกับปี่กระเปล่ารู้สึกไหมใจตรงเนี้ยไม่เคลื่อนไหวกับพี่กระเปล่าเนี่ยรู้ตรงนี้เข้าไปอ่ะต่อไปภานาได้ดีนะดีกว่าเก่าเยอะเลยค่ะอาจารย์ค่ะที่ที่โยมปฏิบัติดูนี้ถูกต้องแล้วหรือยังคะ่ะโยมปฏิบัติได้ดีอยู่นะปฏิบัติดีแต่จะถูกแล้วละ่ะปฏิบัติอีก ต่อไปเวลาร่างกายไม่สบายนะเห็นว่าร่างกายไม่สบายไม่ใช่เราไม่สบายนะเวลาร่างกายจะตายร่างกายตายไม่ใช่เราตายนะปฏิบัติได้ดีเฉลี่สสายาดีแหน้าตา ม, นนะมันเปลี่ยนนะจิตมันเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนหน้าตาแทบจำไม่ได้เลยกลับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะหลังจากที่ได้ปฏิ ตามที่หลวงพ่อได้แนะนำไว้ก็รู้สึกโล่งโปร่งสบายขึ้นค่ะเมื่อก่อนจะติดแน่นมันจะประคองอะค่ะเพ่งไปซะเยอะตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแต่ว่าเวลาที่ตัวรู้เขาจะมัวมัวไม่ค่อยชัดอ่ะคะ่ะไม่ชัดรู้ว่าไม่ชัดไม่ต้องทำให้ชัดนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมัวเราหาทางทำให้หายเนี่ยแทรกแสงละนะบางทีก็ทำได้ก็กูเก่ง ทำไม่ได้หูกูแย่ใช่ไหมไม่ถูกหรอกมัวก็รูว่มัวมัวกับสว่างเนี่ยเท่าเทียมกันนะแต่ว่าพูดง่ายเราเวลาลงมือปฏิบัตินะพอเจอมวมทนไม่ค่อยได้หลวงพ่อหน้าตันมาบวชหลวงพ่อบวชในพรรษาที่สามพรรษาที่สามเนี่ยบวชได้สองปีนิดๆเองเพราะว่าพรรษาที่หนึ่งเนี่ยบวชสองสามวันก็เข้าพรรษาแล้วในพรรษาที่สามเนี่ยจิตมันมัวไปนิดหนึ่ง ทนไม่ได้เลยนะจิตหมองมๆนิดเดียวเนี่ยทนไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าทุกข์ร้อนอะไรนะแค่ไม่ใส่อะทนไปหาทางแก้ไขอ่ะก็สว่างขึ้นมาอยู่ไปช่วงหนึ่งมัวมวยแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดนะเว่าะเนี่ยจิตสแสดงไตรักอยู่นะเข้าใจมันเข้าใจตรงนี้นั่นก็หายหมัวแล้วมันไม่มัวอีกแล้วคือบางทีเขาจะรู้สึกขึ้นมาเองได้เดินปัญญาบ้างแต่ไม่ค่อยบ่อยอะค่ะส่วนมากจะรู้ว่าไหลไๆแค่นั้นเองนะคะรู้อย่างนั้นไปก่อน การเดินปัญญานเป็นเรื่องของจิตนะถ้าจิตอย่างของหนูเนี่ยจิตมันเดินปัญญาได้ไม่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรหรอกแต่บางคนนั้นมันรู้ตัวแล้วเฉยนิ่งเฉยอยู่พวกนั้นต้องคิดพิจารณาร่างกายกระตุต้นให้จิตทํางานตรงโนูจิตขยันทํางานอยู่แล้วบางทีทำเยอะไปด้วยซ้ำเลยกลับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อแล้วก็กลับขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยค่ะคือ ปกติผมเป็นคนทาในรูปแบบได้ไม่ค่อยนานนะครับก็เลยต้องแบบเหมือนขยบร่างกายแล้วก็รู้สึกไปสักห้าวีแล้วก็ปล่อยให้ไหลอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะกลับมารู้สึกตัวเองอย่างเงี้ยครับได้ไหมครับไปขยับๆงี้มันก็ได้เหมือนกันนะแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรไปทํางานดิบไหมนะทางานกวาดบ้านถูบ้านนะลดต้นไม้บ้านเรากวาดเสร็จแล้วก็กวาดถนนหน้าบ้านเสนะ้นไหวไป ห, หรือไปกวาดวัดกวาดอะไรอย่างเนงะี้ย หางานทำร่างกายเคลื่อนไหว ใ, ใจเป็นคนดูทำงานไปเรื่อยๆที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้น ะ, ะดูกายไว้เห็นร่างกายเคลื่อนไหว ใ, ใจเป็นคนดูสบายๆไปดีคือมันจะมีบางครั้งครับที่ความรู้สึกเกิดขึ้นเรารู้รู้<ช>ว่าเรารู้สึกแต่ไม่เห็นสภาวะครับก็ตัวความรู้สึกนั่นแหละสภาวะความโกรธก็คือสภาวะรู้สึกสุขความสุขนั่นแหละเป็นสภาวะ สิ่ที่เรสภาวะสภาวะสภาวะก็คืออย่างนั้นแหละครับอย่างบางทีก็งงงงก็เป็นสภาวะอันหนึ่งสงสัยเป็นสภาวะดีใจเสียใจอะไรสภาวะทั้งนั้นแหละอย่าไปตกใจกับคำว่าสภาวะนะความรู้สึกทางใจทั้งหลายเนี่ยสภาวะธรรมทั้งนั้นเลยแต่ตัวรูปนี่ดูยากนิดนึงสภาวะแท้ๆของตัวรูปนีคือธาตุดินน้ำไฟลมเลยเป็นสภาวะ ดูยากแต่สภาวะทางใจอะดูง่ายความสุขก็เป็นสภาวะอันนึงความทุกข์ก็สภาวะอันหนึ่งโรกโกรธหลงก็สภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างศรัทธาก็เป็นสภาวะมีริยะก็สภาวะสติสมาธิปัญญาสภาวะทั้งนั้นแหละจิตก็เป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งสภาวะธรรมทั้งหมดมีเจบสตัวเป็นสภาวะของนิพพานเสหนึ่งภาวะของจิตเสหนึ่ง แล้วนอกนั้นเป็นรูปธรรมนามธรรมานะมีรูปสิบแปดรูปนะที่เหลือเป็นนามธรรมานะสภาวะมีไม่มากมีเจ็ดสิบสองตัวแต่ไม่ต้องเรียนทั้งหมดรู้เท่าที่รู้ได้รู้ตัวสองตัวอย่างพอเลยมีจิตเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งรู้สภาวะของจิตแล้วก็เห็นสภาวะอย่างอื่นสักอย่างสองอย่างเท่านั้นเองเช่นความโกรธความโกรธกับความไม่โกรธก็เป็นสภาวะี่เห็นมันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมา งั้นไม่จำเป็นต้องรู้สภาวะครบทุกตัวหรอกในการปฏิบัติรู้ตัวที่ดูได้แต่ทุกตัวนั่นจะสอนใจรักตอนนี้จิตเมื่อกี้ที่ตั้งใจฟังหลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมมันว่างๆแบงๆไปช่วงหนึ่งยังไม่ค่อยสนใจพักใจนั่นมันไปคิดนั่นไปอย่างนี้นะมันลืมกายลืมใจไปครรู้สึกออา อย่าบังคับตัวเองเยอะเกินไปนะยิ้มหวานสิรู้สึกไหมร่างกายยิ้มใจมันแน่นแน่นรู้สึกไหมใจมันแน่นงั้นก็แสดงว่าที่ปฏิบัติมาตลอดก็นแน่นมาตลอดเลยครับใช่ติดเพ่งนะที่ทํามาติดเพ่งครับไม่ไม่รู้เลยนะครับอ้าวก็วันนี้รู้แล้วนี่ ร, รู้แล้วต่อไปมก็ดีกว่านี้แหละครั บ, บคุณครับกลาบลองพ่อครับ จิตมีโมหะครับรู้ไงอะ่ะมันก็ลอยลอยไปครับฮะมันเหมือนมันจิตมันลอยๆอยออกไปแล้วไปยุ่อะไรกับมันอะ่ะก็ไม่ได้ส่งมาปีกว่าจะเลยจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตลอยลอยรู้ว่าลอยๆอยๆนะจิตไม่เข้าฐานรู้สึกไหมครับจิตกระจายออกไปจิตจับอารมณ์ได้ไม่มั่นรู้สึกไหมครับนะเพราะฉะั้นต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะต้องช่วยมันนะครับ ใช่อารมณ์กรรมฐานที่แรงขึ้นนิดหนึ่งหยาบขึ้นนิดหนึ่งนะปกติใช้เดินจงกรมครับอะไรนะเดินจงกรมเอาครับแล้วก็ดูอริยาบทแล้วเดินยังไงใจมันเอ้อระเหยอย่างนั้นนะ่ะก็กลัวจะเพ่งมากไปอ๋อ <laughs> เพ่งมากกว่านี้อีกหน่อยอันนี้อ่อนไปได้ครับอ่อนจนกระทั่งเหลวๆไปเลยรกระจายออกไปหมดนะอ่อนเกินไปเข้มแข็งวันนี้นิดหนึ่งได้ครับนะปรับนี้เดียวเท่านะั้ก็เข้าที่แล้ว อะคนสุดท้ายนิมั ส, สการาหลวงพ่อว่าไปนิวยาถามหลวงพ่อว่าหนูปฏิบัติถูกไหมคะฮะนิวยาถามหลวงพ่อว่าหนูปฏิบัติถูกไหมคะให้ใจมันเข้มแข็งกว่า น, นี้หน่อยนะค่ะใจมันต่อแป้ไปฝึกใจให้มันเข้มแข็งอดทนฮึดสู้ฮึดสนะู้ค่ะใจมันอ่อนไปหลวงพ่อคะหนงเวียงหัวได้ อาทิตย์หนึ่งอะค่ะและ้วกนะ็หนูเวียงหัวะค่ะเวียงหัวก็ไม่ใช่เนี้ยค่ะมันเป็นอะไรนะคะเป็นอะไร น, นะเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวไปหาหมอสิมันไม่ใช่ค่ะหนูมีความรู้สึกว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือเปล่าเนี่ยค่ะมีผลอยู่นะใจ ว, ว่าล่องลอยไปบางบางครั้งหนูตีหัวนี้ก็เหมือนกับว่ามันออกไปเนี้ยค่ะ เหมือนเนะเหมืนกับว่ากอะที่หัวหนูอยู่อะค่ะแล้วก็หนูไปตีแล้วก็มันก็กระเด็นไปเนี่ยอ๋อนี่ยไปสนใจมากนะันะพวกพลังงานที่ไม่ดีมันก็มีอยู่นะเต็มในอากาศเนี่ยแต่ในอากาศเนี่ยนั้ น, ะ น, า ก, านนะก็พลังงานที่ดีก็เต็มไปหมดเลยเราชอบไปจับเอาพลังที่ไม่ดีมาถ้าเวลาใจเราเสื่องซึมไปใจเรามีอกุศลครอบงําเลยน ะ, ะมันจะไปจูนพลังที่ไม่ดีนะมันก็เข้าตัว ทำให้ซึมๆึมทำให้เจ็บนอนเจ็บเน่บางทีเจ็บเหมือนเอามีดแทงเลยนะเหมือนเอาไม้ทุบหัวเอานะ <c oughs> แล้วคิดถึงบุญเคยทาบุญอะไรบ้างอะ่ะหนูเหรอคะปกติแล้วหนูก็จะไปทําบุญบริจาคลดนนสมเนี่ยคะ่ะออแล้วก็ไปตา้งว่าบริจาคค่าไฟเนี่ยเออนะคิดถึงบุญเวลาที่เราคิดถึงบุญแล้วนะใจเราจะเป็นกุศลขึ้นมา ใช่มีความสุขขึ้นมานะมันจะไปจูนพลังที่ดีเข้ามาแทนะถ้าไปปล่อยใจนี่นะปล่อยอย่างนี้ไปหมดอ่ะมันขาดสติไป <c oughs> นะเราไม่มีสติตัวเดียวจิตก็ไปเชื่อมกับพลังที่ไม่ดี่หนูขอกำบ้านนะทําใจให้เข้มแข็งวันนี้หายใจออกรู้สึกหาเชื่อเข้ารู้สึกนะรู้สึกตัวให้มากขึ้นอ่าหมดแล้วละ ขอทุกท่านได้ประนมมืออนุโมทนาบุญกับตัวแทนของพวกเรานะคะที่ได้ถวายเครื่องสักการะและเครื่องยธยทานแด่หลวงพ่อประโมทค่ะค่ะและในโอกาสนี้ขอทุกท่านได้กล่าวคําถวายกับปิยพันธ์ด้วยการตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 โอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิกัปปิยะพันธานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งกับปิยพันธ์พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อจงรับซึ่งกับปิยพันธ์ พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลา ย, าาลายตลอดกาลละนานเทิญยะถาวาริวะหาปูราป ร, ริภูเรนตีสาครางังเอวามวะอิโตทินงังเปตาณังปกปติ ปิชิตังกติตังตุมหังคิปะเมวาสมิจโตสพเพปูเรนโตสังกปาจจนโทปนรสอยาธามณีโชติราสยาธาสัพพีตโยวิวัตชนตุสัพโรคโควินาสตุมาเตภวัทปันตรายโยสุขีติคาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวิทาปจายโนจตาโรโอธรมาวทันติอายุวันโนสุขขัง กลงังสาธุก็อนุโมทนากับชมรมสารธรรมล้านนานะอนุโมทนากับพวกเราที่สนใจ ร, รีบเรียนนะศา ส, สนาพุทธอยู่แค่ไหนไม่รู้นะเรียนเอาไว